งานกินข้าวงานบริปโภคอาหารเกิดขึ้นมากเป็นหมื่นเป็นมื่นขึ้นมาที่เลียนเลียเต็ดไร้แนวเกิดขึ้นมา ก, ม ก, ก, มา ก, กับเลี่ยนเป็นแล่างหนาล่างตาตะพันล่างหนาล่างตาแล้วก็ออกไปและะ้วไปหาอยู่หากินแตเม็นสักสักต่ตตงตางๆวะหัวใจมันจะออกจะออกใจซื่งจะเศร้าแน่ ตีสามสีสี่ตีหานี่น่ะที่ขันนี่น่ะทีขันนี่สี่ตีห้องก็อก็ แ, แก้แย้ก็เจ้าผมาว่าเราไปแล้วฮะนี่ออกหากินแล้วบ่ใไง ห, หากินไปหากินไปกันขวดหันเกียนใไปพ่อเมนื่อยหรือนอกแต่จะยืนไปนั่งไปนอนเท่าเมื่อยยืนนั่ใส่ห่มใหม่เน้่ยตอนตกตอนบ่ายก็ออกหากินหากินก็ไปยีกยันไะไง หอดเรง่งจับมานอนค้อนกลับมานอนในขคอในคอนแล้วไปมือนึงให้เนี่ยพ่นตื่นขึ้นมากลางอาล่างาหลับไปห้ายูห้ากินทันเป็นพวกท่ารัศการกไปสํานักงานตืินทางไปแรี่ยสัมูไปไกลแนหนะก็หหอเขาน้ำกระหอเขากินน้าข้างไปกินเขา่เขากระหอเว้นไปกิน ไปทำงานราชการสำนักงานพอแล้วพูณะจะเห็นบานบ่ายถึงให้บาดจะกลับม า, า, บาก่ะกลับมาก่ะเดินทางกลับมาหาันแล้วคนจะอยู่ไกลเดินทางเกือบค่ำถึงไหนจะ ค, คอยหอดเนื่อนมากก็อาบน้ำอาปากาินเข่าอีไปเว่นกินเข่าแล้วกันได้กินเส้ากินเขาไปทางานตปเว่นกินเขา่ า, ข า, า, ขาอีกตอยมือแรงอาบน้าอาปากานิน กินเผา่ะินเาหรอกนังก็าวมืองกัข้าวารังข้นเกล้าาวละทัดมะเบืองฮางังข้นเกาเพ่งมาเิดองนี่ไงล่ะขี้กับหนุกับหลานกับพีกับเนอะกับปวกับเมียอะไรแบบแ่น้อยแต่นอนกินมือเก่าไปเจ๊เด้ออีละล่างหนาล่างสาไปนี่อหะนี่ไงล่ะมันมีเียดเียดหลายไปประสง์องค์ไส้เจ่าตื่นถึงมากย่นเก้าแบล่างหนาล่างสาวล้วก็จัดตัดะจัดอุปกรณ์มาก เราออกไปวินสบายโสดซัดขันธ์าาท้าส่อฆ่าพัฒนาหันเท่าไรกับไม่ได้พบชั้นพัฒนาหาัานะค่ได้นาที่ของพระศึกษาประทับวินให้ศึกษาแล้วกับปฏิบัติที่ไหนมีญาณจงกรมมีนังสมาธิศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาคัค้นตั้งสอนพระพุทธเจ้า คือหัดจาร่วมในคณะเด็กปันการรักษาเน้านคณะรักษามูคณะรักษาศัพทินของศาสนาพอหัดตอน Double dog. บายมากวดร้านวัดกวดร้านวัดขันหน้าฝันหน้าแม่ขันนี้ขันบุญมีก็ไหวขันหล่ะเจ้านั่นแหละก็ตัดกวดท่องต้นสะอาดเจ้านคณะแนวอาบน้ำดีกว่ารงหน้ารงน้าหรือเปล่ยางจงกรมยางจงกรมแล้วดังภาวนา พ่อสมควนรอจเชิงวัดสิระขั้งสัญญาณโคมก่นามาทำบัดรวิถึงสาร่าทำมาแล้วนางเขาวันหน้าตาอ่อพ่อเป็นนายสัญญาตัวกับไปกับไปพุทธีเรางานสงคมอีกได้ไหยงานส่งคมงานส่งคมไปจนถึงรเด้อสะยุดนังขาวนหน้าต่อพ่อสมควนไหนเป็นคอยพักยังคอยพักจำวัตรไหนก็มานอน ตีสองสีสามตื่นขึ้นมาอีกว่าเนี่ยสีสองสี่สามเนี่ยเป็นละฆังขอทานทานบ่มีระฆังไปอยู่ใส่ก็ตื่นดอกสีสามสีสามตื่นขึ้นมากันวายพระวายพระท่ามบัดเข่าก็นั่งภาวนาต่อหรือว่ากันอย่าดุลุกมาเดินตรงกลมเป็นตรงกลมจึงขึ้นไปนั่งภาวนาต่อจนแย่แแล้งลุกขึ้นมาก็หลังนาแล้วนี่หลังนาจะเตรียมบาตรไปสลา อยากีนางดีฉันแล้วก็แคหน่อยออก อ, อ, ก อ, อกินทบาททั้งสองเป็นควบขุง่งจอดมาที่นี่กันเน้นเดียวนี้มันเท่ากําลังอยู่ในเวลาพาัสกิตรือเวลาการพกฉันนี่เป็นเบียดอย่างหนึ่งเนี้ยเป็นเบียดงานอย่างหนึง่งเบียดงานอันนี้เขาทำไปแล้วให้มันกระทัดรัดให้มันแหลวให้มันจะกินเวลาหลายเรื่องกินเขาบ่ต้องกินหลายครั้ง กินเพื่เอเดียวกรเอ๋าละไม่ยู่ได้บอ่อเพื่อเดียวยื้อได้ยดือ้อบ่อตายหอกก็จะกรเป๋ า, า, ล, า, าล่ะเพราะนั้นเพราะฉันเสร็จแล้วนมาดูหาทำสุระเจ้าของทํางานเลยมดมือมันจะมีงานทำเป็งานของผมเป็นมมม น, น, นางพรมาหน้านั่นแหละให้เขาใจว่าห้องกินข้าแวแล้วอาบน้าก็อาบแล้วมัดผ้าแปลงแจ้งโตกับผ้าแปลงแจ้งโตเราใส่เสือ้อใส่ผ้าเรียบร้อยแล้ว มันแล้วแล้วบัน้เฮ็ดยังบันีต้รงคืดหาเนว่เฮ็ดเนี่ผ่านสาวาดญาณโยมก็ไปทัมมาหากินไปขาไปขายไปทำงานกระชากรไปทีตทำไปเป็นขั้นการงานเมื่องไปเรื่องไหละเพื่อสิใดไมนเรี่ยงหลัง้ายส่วนกระจกประสงค์ก็มีงานคื่กันนักภาวนามีงานกินเขาแล้วปัสสาวเรื่องความศินเรื่องพัฒิเฮ็ดแล้วภาวนาด้วยการจัดเมมเบรนเสียกเก็บของ มันคนขี่สอเด่แล้วน่ะภาวนาตั้งใจภาวนาพนักเป็นนักภาวานาถ้าตั่นแล้วต้บบองกบได้แล้วไี่อยากได้หมากไม่ดีๆคือเขาไม่เสร็แจแสบที่เขาเอาลงไปปลูกแล้วโบเบิ้ลโบเบิ้ลเอาประมาณขอนมันก้นดินใส่ปุ๋ยมันผู้อื่นเขาปลูกคือดอกเย็นแต่เท่าเห็คือโบอได้เขาปลูกคือโบอได้กินรวยมัน มาภาวนาเป็นอยังนี้จังโบเกนมาภาวนาคือมูยุดขอบมันโบดูแลแต่ของนีหละหอดย่ำภาวนาก็บอกไปเขาก็กินแล้วเนื้งจะกินแล้วยาจะกินแล้วแล้วทุย่างเหรอแบนี้ลุ่งใส่ภาวนาแล้วภาวนาดูดูแค่ดู ด, ดูมันดูแลคนดึงรักษามันดูดูแลพจน์นามอัตามันยังค่อยย่งงามมันย่างภาวนานย่างสุขุมนางสมาธิ มันจะเลื่อนตรงนั้นข้าวโพดแนวนี้เราก็แห้งคือจังข้านาบดขด่านแล้คือจังย่มไรทางนาเมาหัวสายนาหัวแบบโอ้ยตามสีมือคุณยังซอได้หญ้าก็แห้งมดอีังจะแห้งว่าจังสันดับควบไม้ควบไรจีลมติดตาคือจังสันแหละล่ะทำใหนติดต่อระจับปลาเบียดของาบดทนมดตัวนี้เลยแต่ทมกนเขราก็แล้วมีเบียดติด้หน้า